เหมือนสิ่งที่คนเป็นศัตรูให้แก่เราคนพาลทํากรคำชั่วเองย่อมเศร้ามองเองถึงความทุกข์เองจึงชื่อว่าทําตนให้เป็นศัตรูแก่ตนผู้ทําชั่วชื่อว่าไม่รักตนส่วนผู้ทําแต่คำดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะฉะนั้นพระาศราสดาจึงตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรทําบาปทั้งในที่รับและที่แจง้งการลงโทษของกรคำชั่วเป็นการรุนแรงแสบเผ็ดและไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้ มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถตานทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกเนินนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของหน่ากลัวเพิงเห็นตัวอย่างเรื่องสุ ป, ปะพุทธะที่เห็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วแสดงอาการดูหมิ่นเป็นเหตุให้ตนเป็นโรคเรื้อนในภายหลังในธรรมบทท่านบอกว่า เรื่องสุ ป, ปะพุทธะโรคเรื้อนมาแล้วในคัมภีอุทานจึงตามไปดูในอุทานพระตาบิดกเล่มยี่สิบห้าหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดถึงสี่รอยสี่สิบเ้ามีกว่าว่าสุ ป, ปะพุทธะได้บรรลุโสดาปติพนเพราะฟัฟงธรรมของพระพุทธเจ้าและทูลสอนเสริมพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนงายของที่กว้างเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นโลปขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วหลีกไปถูกโคตัวหนึ่งกฤิดสิ้นชีวิตภิกษุหลายรูปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคติสัมปรายภพของสุ ป, ปพุทธะเป็นอย่างไรพระศาสดาตราตัสตอบว่าสุ ป, ปพุทธะเป็นโสดาบันมีคติอันแน่นอนว่าจะต้องรู้ธรรมในภายหน้ามีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเพราะเหตุไรสุ ป, ปพุทธะจึงเกิดมาจนและเป็นโรคเรื้อน รัศสสดรตาลัดเล่าว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วสุปปุทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชคลีนีเองวันหนึ่งเขาไปอุทยานได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าชื่อตะคราสิขีเที่ยวบินธบาตอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนขี่เรือนนี้คือใครหนอแล้วทุ่น้ําลายทําพระปเจกพุตรเจ้าวไว้ทางซ้ายของตนแล้วหลีกไปการหลีกทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพคือเมื่อเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ที่เคารพ ผู้น้อยต้องเดินไปทางซ้ายมือของท่านและท่านผู้ใหญ่ยอยู่ทางขวามือของตนถ้าบอกสั้นๆแบบทหารก็ต้องบอกให้หลีกซ้ายลองนึกภาพดูด้วยกรรมเพียงเท่านี้สุปปุท ธ, ธะต้องตกนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งกรรมนั้นเขาจึงมาเกิดเป็นคนจนในเมืองราชฤก์และเป็นโรคเรื้อนแต่บัดนี้สุปปุท ธ, ธะได้อาศัยทำวินัยนี้แล้วสมาทานศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเป็นโสดาบันเกิดในเทวโลก ชั้นดาวประเดิงแล้วพระศาสดาทรงเป่งพระอุทานในเวลานั้นว่าเมื่อความพยายามยังมีอยู่บัณฑิตพึงเว้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเว้นทางอันเป็นหลบเด่นเสียฉะนั้นเรื่องในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดมีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องในอัตถกถาธรรมบทสุปปุถะโรคเรือนเมื่อบรรลุโสดาปฏิผลแล้วต้องการกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแด่พระผู้มีพระภาค แต่ไม่อาจาเข้าไปท่ามกลางบริษัทได้เมื่อประชาชนพากันหลับหมดแล้วจึงเข้าฟาพระศาสดาหน้าที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นเท้าสกา่าเทวราชรู้ความที่สุปปุทธะต้องการกราบทูลพระาศาสดาถึงคุณที่ทนได้บรรลุแล้วจึงประทับยืนบนอากาศตรัสกับสุปปุทธะว่าสุปปุทธะท่านเป็นคนขาดสนจนทรัพย์เราจะให้ทรัพย์เป็นอเนกอนันต์แก่ท่านถ้าท่านสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงค์ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ให้มีประโยชน์แก่เราท่านเป็นใครสุปาพุทธาถามเราเป็นเท้าสักกะท่านเป็นอันถ า, านไม่มีอย่างอายท่านอย่าพูดกับข้าพเจ้าเลยเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเรามีอริยทรัพย์ครบทั้งเจ็ดประการคือศรัทธาศีลสุตะจาระคีริโอตตะปะและปัญญา ใครมีคุณธรรมทั้งเ็ดประการนี้ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนท้าวส ก, กะฟังดังนั้นแล้วรีบไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระาศาสดาตรัสว่าท้าวส ก, กะร้อยองค์หรือพันองค์ไม่อาจทําความเลื่อมใสของสุ ป, ปพุทธะให้คลอนแคลนได้การที่แม่โคลูกอ่อนขิดสุ ป, ปพุทธะถึงตายนั้นท่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นนางยักษ์ศรีแปลงมาเพราะเวรที่เคยทําต่อกันไว้ ไม่เพียงแต่สุ ป, ปะพุทธคนเดียวเท่านั้นกุลบุตรชื่อปุกกุสาติก็ตามภาหิยะทารุจิริยะก็ตามนายโจรขาวแดงก็ตามที่ถูกแม่โควิดตายนั้นล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิน้นท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสี่นั้นเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนผ่าหญิงโสภาณีพิเทศวุทยานหาความสุขสาราญจากหญิงนั้นตลอดวันและตกเวลาเย็นปรึกษากันว่า ควรจะฆ่าหญิงโสพินีนั้นเสียแย่งเอาทรัพย์หนึ่งพันกหาพนะและเครื่องประดับหญิงแพทย์สยามได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีอย่างอายอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์อีกเมื่อถูกฆ่าอยู่นางผูอาคาดว่าชาติต่อไปขอเราจงเป็นยักษินีสามารถฆ่าต่อคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนางจิงเกิดเป็นยักษินีประหารคนทั้งสี่ให้ตายมาหลายร้อยชาติ พระศาสดาทรงสแสดงธรรมเป็นอนเนกปริยายเพราะปรารบเรื่องสุ ป, ปะพุทธะโรคเรือนีในที่สุดได้ตรัสสรุปพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าคนผ่านมีปัญญาสามประพฤตินตนเป็นดังศัตรูของตนคือที่อทำคำอลามกอันมีผลเผ็ดร้อนมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น